69โยนิสโสมนสิการวงเล็บเปิด16พฤษภาคม2552หในวงเล็บสองวงเล็บปิดหลวงพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์ไม่ถามมากหรอกนานๆถามทีหนึ่งแล้วเราใช้ความสังเกตเอาการภาวนานะเรียนหลักให้แม่นแล้วก็สังเกตเอาใจเราไปติดข้องไปแอบสร้างอะไรขึ้นมาหรือเปล่าแล้วไปติดในสิ่งที่สร้างขึ้นมาหรือเปล่าอย่างเราภาวนาบางทีใจมันเครีย ด, ยดอย่างนี้ถ้าจาหลักแม่น จะรู้ว่าทำเครียดเครียดอย่างนี้ทำผิดแล้วจิตที่เป็นกุศลมันต้องไม่เครียดจิตที่เครียดไม่ใช่จิตที่เป็นกุศลหรือภาวนาแล้วใจมันโล่งมันว่างมีแต่ความสุขเพลิดเพลินทั้งวันทั้งคืนถ้าช่างสังเกตก็จะเห็นว่าทำไมมันเที่ยงของมันต้องไม่เที่ยงทำไมมันเที่ยงของมันต้องเป็นทุกข์ทาไมมันมีแต่ความสุขคอยสังเกตไปโอ้ยใจมันไม่ย้อนเข้ามารู้กายรู้ใจจริงหรอก ไหลออกไปอยู่ข้างนอกไปเพลินเพลินไปสร้างภพที่ละเอียดขึ้นมาใจไปสร้างภพว่างๆแล้วก็ไปเกาะอยู่ในความว่างๆไปติดอยู่ในความว่างๆอะไรอย่างนี้นี่ถ้าช่างสังเกตนะโอ้ตรงนี้ผิดอีกแล้วอีกวันภาวนาไปภาวนาไปเห็นจิตไหว ย, ยิบยับยิบยับอะไรอย่างนี้เห็นสภาวะอันใดอันหนึ่งเกิดขึ้นมันสนใจอยากรู้ให้ชัดก็โผล่ไปจ้องจ้อง concentrate ในวงเล็บเพ่งมากเลยใจก็แนบอยู่กับสภาวะอันนั้น ช่างสังเกตก็รู้อีกนี่จิตลงไปเกาะอารมณ์นิ่งๆอยู่แล้วไปแนบอยู่กับสิ่งที่ถูกรู้ไม่ถูกอีกแล้วมันไม่ได้สักว่ารู้ไม่สักว่าเห็นถล่มลงไปรู้หรือภาวนาบางวันจิตฟุ้งซ่านทำอย่างไรก็ไม่สงบนะหาทางทำตั้งนานแล้วก็นึกขึ้นได้จิตฟุ้งซ่านพระพุทธเจ้าบอกว่าให้รู้ว่าฟุ้งซ่านจึงเกิดความไม่ชอบความฟุ้งซ่านขึ้นมาเราไม่รู้ทันพอรู้ทันมันก็หายไป เพราะฉะนั้นไม่ว่าสภาวะอะไรเกิดขึ้นมันอยู่ที่ความสังเกตของเราความสังเกตโดยมีคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นบรรทัดฐานอันนี้แหละที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการพวกเราบางคนชอบไปแปลว่าคิดคิดอย่างแยบคายคิดอย่างไรก็ไม่แยบคายหรอกคิดมันตามใจกิเลสคิดมันหลงคิดอย่างแยบคายก็หลงอย่างแยบคายไม่ได้เรื่องหรอกคิดธรรมะก็ไม่ได้เรื่อง เพราะฉะนั้นเราต้องมีโยนิสโสมนสิการนะช่างสังเกตโดยมีคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นบรรทัดฐานไม่ใช่ตัดสินเอาเองบางคนภาวนาแล้วใจมีแต่ความสุขทุกวันทุกวันมีแต่ความสุขถ้ามีคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นบรรทัดฐานทําไมมันเที่ยงทําไมมันสุขหรือภาวนาแล้วรู้สึกว่าเราบังคับได้นั่งนี่นะเราเก่งนั่งทั้งคืนไม่เมื่อยเลยไม่เมื่อยเลยทําได้ไหมทําได้ถ้ามีปีติ ถ้ามีปีติไม่รู้ว่ามีปีติแล้วนั่งเพลินๆไปก็ติดอยู่ในปีติติดอยู่ในพบของนักปฏิบัติมีความสุขมีความเพ ล, เพลินอยู่ที่รู้ทันนะบางครั้งจิตไปสร้างสภาวะอะไรขึ้นมาดูไม่ออกเลยรู้แต่ว่ามันแปลกๆเพราะหลายวันแล้วมันนิ่งๆอยู่นั่นแหละพอเห็นว่าทำไมมันนิ่งๆดูอย่างไรก็ดูไม่ออกว่ามันไปสร้างตรงไหนสร้างเมื่อไรให้สังเกตตอนตื่นนอนพวกนักปฏิบัติชั้นดี พอตื่นปุ๊บก็คิดเฉียวว่าจะปฏิบัติอย่างไรดีพอคิดเรื่องการปฏิบัติปับ๊บจิตจะไหวตัวกุ๊กกี้กุก๊กกี้สองทีแล้วก็เข้ามาอยู่ในภาวะซึ่งมันเคยติดอยู่เพราะฉะนั้นถ้าตรงไหนสังเกตยากดูไม่ออกจริงๆนะดูมันตอนตื่นนอนนั่นแหละดีที่สุดเลยตื่นนอนแล้วพอคิดถึงการปฏิบัติปุ๊บจิตมันจะไปสร้างพบขึ้นมาด้วยความเคยชินเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่เราสังเกตสภาวะออกจิตไปติดไปคล้องอยู่ในพบอันใดอันหนึ่ง หรือจิตปฏิเสธพบอันใดอันหนึ่งนี่ไม่ถูกแล้วไม่ได้รู้อย่างเป็นกลางมีคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นบรรทัดฐานทีนี้บางคนมักง่ายไปนิดหนึ่งคิดว่ายโยนิโสมณสิการคือคิดอย่างแยบคายคิดอย่างฉลาดคิดอย่างเดียวไม่ได้นะต้องมีสภาวะรองรับถ้าไม่มีสภาวะรองรับไม่ใช่การทําวิปัสสนาหรอกฉะนั้นต้องเห็นนะมีสภาวะรองรับเช่นจิตมันไปเป็นอย่างนี้หรือบางคนภาวนารู้สึกจิตเสื่อม ม่วมั่มืดมืดดูไม่รู้เรื่องมาส่งกันบ้านว่าหมู่นี้มืดไปหมดเลยดูไม่รู้เรื่องหลวงพ่อก็ถามแล้วรู้ได้อย่างไรว่ามืดแล้วรู้ได้อย่างไรว่าดูไม่รู้เรื่องถ้ามืดรู้ว่ามืดนั่นก็รู้แล้วดูไม่รู้เรื่องรู้ว่าดูไม่รู้เรื่องไอ้นั่นก็รู้เรื่องแล้วจะเอาอะไรล่ะอยากเอาดีใช่ไหมอยากเอาชัดชใช่ไหมไม่มีหรอกดีตลอดชัดตลอดไม่มีมีแต่เจริญแล้วเสื่อม ทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่จเจริญแล้วเสื่อมที่สำคัญคือรู้ด้วยความเป็นกลางจเจริญแล้วหลงยินดีก็ใช้ไม่ได้เสื่อมแล้วหลงยินร้ายก็ใช้ไม่ได้ฉะนั้นบางทีใจมันเสื่อมภาวนาแล้วสติไม่เกิดเลยหมู่นี้โมโหมันนะดิ้นรนใหญ่ใจดิ้นขลุกคลักขลุกคลั ก, ล ก, ลกอย่างชมพูเคยดิ้นเป็นเดือนๆใช่ไหมสองเดือนใช่ไหมดิ้นขลุกคลักคลุกคลั ก, ลกโอ้ยเสื่อมไปหมดแล้วความจริงถ้ารู้ว่ารู้ได้ไม่ชัดรู้ว่าอยากรู้ให้ชัด รู้ว่ากําลังดิ้นรนเพื่อจะรู้ให้ชัดนี่รู้สภาวะลงปัจจุบันรู้สภาวะถูกต้องก็ชัดขึ้นมาเองเลยดีทันทีเลยไม่มีอะไรง่ายสุดๆเลยนี่เฉลยกันบ้านให้มากมายแล้วนะไม่ต้องมาถามถามก็วนไปวนมาเหมือนเหมือนกันทุกวันแหละไปฟังซีดีเอาเองก็ได้สังเกตไหมถามมาซ้ำๆกันเหมือนอนกันถามทาไมไปดูๆเอาเองเอะอก็พึ่งครูบาอาจารย์อ่อนแอนนะ เพราะฉะนั้นต้องช่วยตัวเองให้มากๆหลวงพ่อไปเรียนจากหลวงปู่ดูลท่านก็สั่งสอนเราแล้วก็ถามว่าเข้าใจไหมบอกเข้าใจจะไปลองทำดูท่านบอกเออไปทำเอาแล้วท่านก็บอกอีกนะถ้าสงสัยให้มาถามได้ยังไม่ไปถามหรอกกว่าจะไปหาท่านได้ตั้งหลายเดือนอยู่ไกลนี่แล้วเราจะต้องรอสงสัยอยู่หลายเดือนเหรอเพื่อจะไปถามนะ่ะเสียเวลาสิใช่ไหมเราสังเกตเอาเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้ถามครูบาอาจารย์ ไม่มีกัลยาณมิตรที่จะบอกเราสิ่งที่ช่วยเราได้ดีที่สุดคือโยนิโสมนัสิการโยนิโสมนสิการเป็นความช่างสังเกตของเราสังเกตสภาวะที่เกิดขึ้นมันสอดคล้องกับคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่ามันเผลอไปหรือเปล่าไปแอบสร้างพบหรือเปล่าไปเพ่งไว้หรือเปล่ามันจงใจทําหรือเปล่ามันรู้แล้วมันคิดว่ามันไม่รู้หรือเปล่าสารพัดเลยนะซ้าๆซากๆ เพราะฉะนั้นอยู่ห่างๆ ห, างหลวงพ่อก็ไม่เป็นไรให้สังเกตเอามีโอกาสถามก็ถามไม่มีก็แล้วไปเวลาหลวงพ่อสอนไม่มีสคริปต์ในวงเล็บร่างบทพูดครูบาอาจารย์กรรมฐานสอนไม่มีสคริปต์สักองค์นะไม่ได้กําหนดเลยวันนี้จะสอนเรื่องอะไรมันอยู่ที่ใจของคนฟังถ้าใจของคนฟังพอเหมาะพอควรกับธรรมะชนิดนี้ธรรมะอย่างนี้ก็เกิดขึ้นถ้าจิตใจของพวกเราสงบประณีตธรรมะก็สงบประณีต ใจิตใจเราฟุ้งซ่านธรรมะก็จะกระโดกกระเดกไม่มีคุณภาพฉะนั้นเราฟังด้วยความสำรวมนะแล้วก็อย่าไปถือโชคลางพระพุทธเจ้าห้ามยังมีอยู่วันหนึ่งพระพุทธเจ้าฮัดเชยขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็ฮัดเชยเป็นเหมือนกันพวกพระก็สาธุขอให้พระองค์อายุยืนพวกแขกถ้าจามขึ้นมาต้องอวยพรพระพุทธเจ้าห้ามอย่าเชื่อนะหมอดูไทยว่าหลวงพ่อจะตายตั้งแต่อายุยี่สิบเก้านี่อยู่มาจนป่านนี้ยังไม่ตายเลย ฉะนั้นอย่าไปเชื่อมันอยู่ที่ใจเรานะใจเรารู้ตื่นเบิกบานมีความสุขใจที่ภาวนามีบุญอย่างแรงตัวที่จะทำให้เราตายคือกรรมมันตัดรอนเราแต่ถ้าเรามีบุญอย่างแรงแรงมาช่วยบางทีก็รอดไม่เป็นอะไรหรอกภาวนานี่บุญแรงบุญภาวนาเป็นบุญอย่างแรงเลยเคยมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งเล่าให้หลวงพ่อฟังท่านหลงป่าไปนะเข้าไปในพมา่าแล้วก็เปียกฝนอยู่ตั้งหลายวันอดอาหารอยู่หลายวันปอดบวม ปอดบวมสมควรตายใช่ไหมเพราะว่าไม่มียาไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยท่านไปอยู่ในถ้ำหนีฝนเข้าไปอยู่ในถ้ำท่านเตรียมตัวตายแล้วท่านก็ภาวนาของท่านไปเสร็จแล้วใจท่านสว่างโพลงขึ้นมาใจสว่างขึ้นมาความเจ็บป่วยของท่านก็หายไม่ตายนะออกมาจากถ้ำโอ้ฝนหยุดแล้วทาอย่างไรจะกลับมาเมืองไทยเป็นนะไปแล้วหลงเข้าป่าพมา่าไปเลยแล้วหิวด้วยก็เห็นลิงตัวหนึ่งยืนอยู่บนต้นไม้ถือมะละกอ ทำมืออย่างนี้โชมะละกอเสร็จแล้วมันก็ทํามะละกอตกลงมาที่พื้นถ้าเป็นเราเราต้องรีบไปแย่งมะละกอใช่ไหมเรากินมะละกอ ก, ก่อนถ้าไม่พอเราก็กินลิงอีกนี่ท่านรู้สึกโอ้นี่ลิงมันทําผลไม้ตกนะมันไม่กล้าลงมาเก็บเพราะสงสัยมันกลัวท่านท่านก็กลับเข้าถ้ำไปอีกเข้าไปพักใหญ่ๆพอออกมาปรากฏว่าลิงมาถือมะละกอยอยู่ที่พื้นแล้วถือมาคราวนี้ก็กลิ้งมาให้ท่านนี่ใส่บาดไม่เป็นนะก็ให้อย่างนี้ เห็นไหมบุญรักษาถึงคราวป่วยก็หายได้ถึงคราวอดก็มีกินนี่บุญช่วยหรอกเพราะฉะนั้นเราเอาบุญเอากุศลของเรานี่แหละเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ใช่เอาหมอดูไม่ใช่เอาการสะเดาะเคราะห์มาเป็นที่พึ่งอาศัยไร้สาระหมอดูเองคนสะเดาะเคราะห์เองมันก็ตายแล้วเทวดาที่จะมาช่วยเราแก้เคราะห์ให้เราเทวดาพวกนั้นก็ตายไปแล้วแล้วต่อไปมันก็ตายอีกไม่มีใครเป็นที่พึ่งที่อาศัยที่แท้จริง เอาบุญเอากรรมของเราเป็นที่พึ่งที่อาศัยนะสู้ตายถ้าเราเคยปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยกายปล่อยใจเราก็ฝึกเคยชินที่จะหลงมันก็หลงยาวถ้าเราฝึกที่จะรู้สึกนะใจไหลไปแล้วรู้ไหลไปแล้วรู้บ่อยๆต่อไปมันไม่ยอมหลงเลยอ้อนวอนให้มันหลงแทบตายนะเหนื่อยสุดท้ายมันไม่ยอมหลงก็ต้องกลับมาทําสมาธิทาสมาธิจิตได้พักผ่อน พวกเราชอบใช้การหลงเป็นการพักผ่อนรู้สึกไหมส่วนใหญ่จะใช้วิธีหลงเป็นการพักผ่อนเช่นเครียดมากๆก็ไปดูหนังฟังเพลงให้มันหลงไปนี่ถือว่าเป็นการพักผ่อนไปหาของอร่อยๆกินกินเพลินๆไปแล้วรู้สึกว่าได้พักผ่อนก็ลืมเพราะฉะนั้นพวกเราเอาเอากุศลมาเป็นเครื่องพักผ่อนกันถ้าเอากุศลมาเป็นเครื่องพักผ่อนก็ทำสมาธิทำความสงบเข้ามาได้พักผ่อนที่เป็นกุศลหรือทำฌานไม่ได้นะ ฟังซีดีฟังธรรมะอ่านหนังสือธรรมะอะไรอย่างนี้ใจยังเคล้าอยู่ในอารมณ์ที่เป็นกุศลถามว่าหลงไหมก็หลงเหมือนกันแต่ว่าเป็นหลงไปฝ่ายดีก็ยังดีกว่าหลงทางชั่วเพราะฉะนั้นอยู่ที่เราเคยชินนะตอนนี้จิตยังหลงมันก็เรื่องของเขาเราว่าเขาไม่ได้หรอกเราคอยเจริญสติไปเรื่อยหัดรู้ทันสภาวะไปเรื่อยต่อไปไม่ค่อยหลงหลงไม่นาน